อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและนางเตือนใจสินทุวันนิษรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังค่ะ สวัสดีท่านผู้ฟังคะรายการธรรมาราปุรุณกลับมาพบกวับท่านผู้ฟังทางบ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในระบบเอเมกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2554ค่ะ เป็นวันขึ้น9ก้าข้ามเดือนสี่อย่างปีขาญู่นะคะสำหรับในช้าวันอาทิตย์นี้ดิฉันก็ได้กราบนมัส ก, การพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสวัดว่าป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอาเภอห น, นองหานจังหวัดอุดรธานีได้มา สนทนาธรรมกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบ ก, กันเมื่อเช้าวานนี้วันเสาร์ได้ตอบปัญหาหนึ่งของคุณโยนิโสมนานิการไปละก็คือเป็นเรื่องของความรู้ทําให้เกิดปัญญาได้อย่างไรซึ่งพระอาจารย์ภับุญอภิปุโนท่านได้เมตตาชี้แจงแสดงธรรมอย่างน่าสนใจมากเลยแล้วด่ฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังในเช้าเมื่อวานนี้คงจะได้หลักดีๆนะคะที่จะนําไปปฏิบัตินั่นก็คือเราจะต้อง สมาทานคือศึกษาด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยนะคะที่แน่ๆที่พระอาจารย์กล่าวไว้ก็คือขอให้พวกเราทุกคนนั้นยึดถือและปฏิบัติตามได้จริงของศีลห้านอกจากนั้นถ้าหากว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะไปวัดไปฟังธรรมหรือไปปฏิบัติถือศีลที่วัดก็สามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาด้วยจิตของเรานะค ะ, ะเจ้าวันนี้จะมา ถึงคำถามที่สองของคุณโยนิสโสมานัสิกานจากจังหวัดนครปฐมนะคะท่านใช้นามว่าโยนิสโสมานัสิกานและท่านบอกว่าท่านเชื่อว่าความหมายของคําว่าโยนิสโสมานัสิกานนั้นเนี่ยสามารถจะทําให้คนเราเนี่ย มีสติปัญญาได้ถ้านําไปปฏิบัติได้จริงครบทั้งสิบหัวข้ อ, อในรายละเอียดจะมีอย่างไรนั้นขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบน้ำสการพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนโลแล้วก็กราบเลียนถามฟังคําอธิบายจากพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบน้ำสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาจเจ้าขาก็ข อ, อให้พระอาจารย์ได้เมตตาพูดถึงความหมายของคำว่าโยุนินโสมนัสิการเลยเจ้าค่ะยุนิโสมนสิการเป็นภาษาบาลีนะคะจะแปลเป็น ก็แปลว่าทําในใจโด ย, ย, ยแยกสายจุ๊บค่ะอภิปริตีหนึ่งคือทํำในใจโดยแยกสายแล้วทำในใจโดยแยกสายนมันเป็นยังไงประเด็นที่คุณเด่นนีโสจากจังหวัดนครปฐมพูดถึงว่าจะทําให้เกิดปัญญาเนี่ยนะอันี้สอดคล้องกับปฏิวัตนะพระเจ้าพูดไว้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าถ้ามีคนหนึ่งพูดอะไรขึ้นม า, ามีการโฆษณาชวนเชื่อของคนเหล่าอื่น บวกกับอย่างที่สองโยนิโสมรัสิการจะทําให้เกิดสัมาธิฏฐิิได้ <Okay. S 1> แต่ถ้ามีการโฆษณาชวนเชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลเหล่าอื่นบวกกับอย่างที่สองคือโยนิโสมรัสิการคือไม่ทําในใจโดยแยบถายคือไม่ทํานะทําในใจโดยแยบถายเนี่ยไม่ทําจะทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นไปได้ออ mm, <okay. S 1> อื่าซึ่งมันจะตรงกันข้ามเลยแสดงว่าการโฆษณาชวนเชื่อของคนเหล่าอื่นเหมือนกัน แต่ถ้าเรามีโยนิสมฆ์นาจิการจะทําให้เกิดสมาทิฏิแต่ถ้าเราไม่มีนะไม่มีโยนิสมฆ์นาิการจะทำไม่เกิดวิชฉาทิฏฐิค่ะแสดงว่าอันนี้สําคัญมากเแราะว่าสมาทิฏฐิเนี่ยเป็นรุ่งอรุณของอริยมรรมีนองค์แปทั้งหมดอืมใช่ป่ะเหมือนกับพระอาทิติเนี่ยจะขึ้นมาต้องมีแสงสีทองกระแสงสีขาวก่อนที่ขอบฟ้าอย่างที่เราได้เคยพูดกันไปนะใชค่ะเหมือนในการเปลี่ยนแสงสีทองกระแสงสีขาวเนี่ยเปลียบเหมือนกับสมาทิฏิแต่ถ้า เห็นแล้วเนี่ยมีแล้วเนี่ยโอให้มั่นใจเลยอีกนิดนึงมันจะมีอริยมรรคมีองค์แปตามมาทั้งหมดแล้วถ้ามีอริยมรรคมีองค์แปดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะจะทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอ่าก่อนที่จะมีมรรผลนิพพานคุณต้องมีอริยมรรคมีองค์แปดก่อนที่จะมีอริยะมรรคมีองค์แปดคุณต้องมีสัมาธิฏฐิก่อนที่จะมีสมมาทิฏฐิคุณจะต้องมีการทํำในใจโดยยากทายมันคือโยนิโสมณสิกจค่ะ แล้วย็โยนิโสมนัสิการเนี่ยเมื่อมาบวกกับการโฆษณาชวนเชื่อของบุคคลเหล่าอื่นนะ <Okay. S 2> ก็จะเป็นเรื่องของสมาทิฏฐิทีนี้การโฆษณาชวนเชื่อของบุคคลเหล่าอื่นอ่ะอย่าสมมติอ่ามีใครสักคนไหนคนหนึ่งพูดขึ้นมาเรื่องหนึ่งอ่าพูดให้คุณตื่นใจฟัง <Okay. S 2> คุณตื่นใจฟังแล้วเฮ้ย hey, อันนี้มันจริงหรือไม่จริงเราควรจะเชื่อหรือเราไม่ควรจะเชื่อหรือเราควรจะทําอย่างไร <Okay. S 2> อันนี้เราต้องโยนิโสมนสิการทําในใจโดยแยกใจใช่ค่ะ พระเ้าเคยอ่ากล um. ่าก็อย่างนี้บอกว่าถ้ามีใครพูดซักคนใดคน adalah, หนึ่งนะะพูดขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าว่าคนเนี่ ย, บ า, นนยบางครั้งเนี่ยเราเชื่อ ว, ว่าอันนี้จริงแน่นอนในพบงทีมันออกมาไม่จริงก็มีเลยมีประสบการณ์นี้ไหมจู่ค่ะเคยว่างคนนี้ถูกแน่ okay. Okay. นอ <ở S 2> <ใ>นแต่พอมาดูที่อาตายติดไปแล้วอันนี้ก็มีจู่ค่ะนะหรือถ้าที่เราเคยเชื่อว่าอันนี้จริงแน่นอนออกมาจริงก็มีอืมนะคือมันมีทั้งสองแบบ แล้วผู้เ่้าเคยยกตัวอย่างนี้ทั้งหมดสิบกว่าอย่างที่เรียกว่าบางทีเนี่ยเราเชื่อว่าเรื่องนี้จริงหรือว่าชอบใจว่าเอออันนี้ถูกอันนี้พอใจจ่ะที่เราคิดไว้อันนี้น่าจะถูกนะหรือว่าฟังตามเหตุผลละอันนี้เข้าท่าอันนี้น่าจะถูกอันนี้อย่างที่สามหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาเชื่อตามๆกันมาว่าจริง ก็มีอันนี้พ่อแม่เราบอกว่าจริงเราก็เช็คแม่จะจริงอย่างนี้ก็มีใ <c oughs> ซึ่งมันออกมาอาจจะเป็นตรงขันข้ามก็มีหรือจริงก็มีนะหรือที่อ่าพิาจารณาเรียบร้อยแล้วว่าอันนี้ถูกต้องแ น, น่นอนมันออกมาผิดก็มีใลเรืงคําถามในห้องสอบบางทีเราที่ว่า น, นี่ถูกแต่มันก็ผิดก็มีนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอนเนี้ยชื่อว่ายัง่เป็นการตามหาความจริงของชาวบ้านชาวโลกเท่านั้นเอง ซึ่ง mm hmm. การโย น, นิสโสมนสิการเนี่ยจะต้องประกอบไว้อย่างนี้คุณสมบัติอย่างเดียวเลยนะที่เราจะต้องมีเขาคือว่าถ้าเราจะต้องการตามาสาวใหเพึ่ง mm hmm. เพื่อความจริงเนี่ย mm hmm. อย่าพึ่งเชื่อ ว, ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอืมใช่ค่ะนะอย่าพึ่งเชื่อเท่านั้นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งเปล่าให้เปิดกว้างไว้ก่อนไ mm hmm. นที่เราเชื่อ ว, ว่าจริงๆเนี่ยอาจจะผิด ก, ก็ได้หรืออาจจะมีรายละเอียดที่มากขึ้นก็ได้ ระดับหนึ่งคุณต้องเปิดใจกว้างไว้ก่อนการที่จะทําเดี๋ยว <Okay. S 1> นี้ส่งดนตรีฮานาระดับที่สองนะพอคุณเปิดใจกว้างไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นการตามรักษาซึ่งความจริงนะอันนี้ชี้ว่าเป็นการตามรักษาซึ่งความจริงตัวเองก็คือว่าเราเปิดใจไปก่อนนะที่ว่าเป็นการตามรักษาซึ่งความจริงทีนี้การตามรักษาซึ่งความจริงเนี่ยก็ยังไม่ใช่เรียกว่าเป็นตามรู้ซึ่งความจริง คือการจะทำโยนิโสวรรณศการเนี่ยคุณต้องรักษาซึ่งความจริงก่อนเราก็ตามรู้ซึ่งความจริงาการรักษาซึ่งความจริงในกรณีนี้ก็คือเปิดใจกว้างไว้ก่อน<ช>แะยังพึงเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นปรับนะพอจะตามรักษาไว้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะตามรู้ซึ่งความจริงทํำยังไงวิธีตามรู้เนี่ยพระเจ้าก็ให้กําหนดไว้สี่เดขั้นตอ น, นตอน่าม่อะไรบ้างจ้า อันับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราคิดว่าความจริงเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนนะพรทเจ้าก็ให้เข้าไปถามสมณะหรื อ, อพระองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยที่รู้สึกว่าเออองค์นี้มีราคาโซ ส, สามโมหะน้อยดูแล้วเนี่ยว่าคนที่มีราคาโซ ส, สามโมหะมากเนี่ยจะไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้นะคนที่มีราคาโท ส, สามโมหะน้อยถึงจะทำอย่าที่ท่าน ท, ทำนี้ได้ แล้วก็ถ้าทางเหตุการณการพูดการแสดงธรรมายของท่านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลุ่มลึกเห็นได้ยากแต่เป็นสิ่งที่รู้ทำได้ยากและคือเป็นลักษณะว่าโอโ้โหแสดงธรรมนี้ก็าลึกซึ้งอย่างนี้นะอให้มีศรัทธาในบุคคลนี้อันขั้น ท, ที่หนึ่งแต่ข้อที่หนึ่งให้มีศรัทธาในบุคคลนี้ข้อที่สองพอมีศรัทธาแล้วเนี่ยก็ให้เข้าไป พอเข้าไปหาแล้วเนี่ยก็เข้าไปนั่งใกล้ไปนั่งใก้แล้วเนี่ยก็เงี้ยสดลงคือพยายามฟังพอฟังเนี่ยก็จะได้ฟังทำพอฟังทำแล้วเนี่ยก็ให้ทรงจำทำนั้นไว้พอทรงจำทำนั้นแล้วเนี่ยก็ให้ใไข้ครวนซึ่งเนื้อความแห่งทำนั้นคือปัญญาพอใไข้ครควนแล้วเนี่ยทำนั้นเนี่ยจะต้นประการทิ้ง <อ arrangements. S 1> ที่สุดอือคุณผู้พอทนต่อการทิ้งที่สุดแล้วเนี่ยความพอใจย่อมเกิดขึ้ในในใจเรา ไม่เป็นจริงแต่พอมีความพอใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีอุสาหะหรือความเพียพรพอมีอุสาหะความเพียรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถพิจารณาหาสมรุนแห่งทําได้พอพิจารณาหาสมรุนแห่งทําได้แล้วเนี่ยก็ตั้งตนไวในทํานั้นพอตั้งตนไวในทำนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ทําให้แจ้งซึ่งธรรมานันได้อันนี้ก็คือกระบวนการของดวงนิสโองมรสิกานสิบสองขันตอนอืมถูกค่ะอันดับแรกคุณต้องอรั อย่าเพิ่งเชื่อว่าเทานั้นจริงใช่หรือเปล่าอันดับที่สองพอเห็นใครพอจะรู้ซึ่งความจริงเนี่ยเราเข้าไปมีสักการะกว่านั้นอันที่สามเข้าไปหาอันที่สี่เข้าไปนั่งใต้อันที่ห้าเงียบโสดลงอันที่หกฟังธรรมอันที่เจ็ดทรงจํำทำนั้นไหมอันที่แปดให้ไข่ครวญเนื้อธรรมเนื้อความแห่งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันที่เก้าทำนั้นทนต่อการติงตีน จะตั้งตนในธรรมท่านจะทําในใจซึ่งความจริงอืมจ้าอันนี้คือกระบวนการการทำอยู่ที้สองนาทิการคือการตามรู้ซึ่งความจริงอืมจ้าแล้วก็พอตามรู้ซึ่งความจริงอย่างนี้แล้วเลยจะเห็นได้เลยนะว่าจากประเด็นที่เราพูดเมื่อวานนี่ยว่าเอ๊ากการปฏิบัติมันอยู่ตรงไหนมันแสงอยู่ในนี้เลยเห็นไหมว่าข้อสุดท้ายเนี่ยที่พระเจ้าได้ตรัาเสีงการตั้งตนไว้ในธรรมนั้น ก็คือเราทำธรรมะที่เรารู้แล้วเนี่ยมาปฏิบัติค่ะคือมันแฝงไว้ในกระบวนการเลย <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยถ้าจะเรียกว่าแฝงเป็นปริยัตปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่คือมีอย่างเดียวคือสมาทานคือศึกษาด้วยการปฏิบัติำ ค, คำพัง <ใน S 2> ที่<ด>เกิดนะเจ้าคะก็คือศึกษาด้วยการปฏิบัติก็คือจะศึกษา ธรรมะของพระองค์ท่านนั้นก็คือจะต้องปฏิบัติไปด้วยเพื่อที่จะรู้แจ้งเห็นจริงจริงๆอย่างที่ทรงมีพูดถวัตเจะนะถูกไหมเจ้าคะทีนี้บางคนจะคิดว่าอยู่นิโสมาสิการอยู่นิโสมาสิกานก็คือแค่ประยะเฉยๆไม่ใช่เอมเจ้าค่ะเพราะว่าสองสามขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยของการอยู่นิโสมาสิก า, เ น, า น, นเนี่ยคือตั้งตนม่ได้ทำและมีความเพียรมีสันทัดเกิดขึ้นเนี่ยต้องมีการไข่ครควนทิ่งวิสูตรด้วยแล ต, ต้องตั้งต น, นไม่ได้ทำหาสมบูรณแห่งธรรมซึ่งตรงนี้เป็นการปฏิบัติตั้งนั้นเลย Mm-hmm. <sighs> หาเขาในต้องมีศรัทธาก่อนตัวเองอ่ะเองมีศรัทธ า, านในพระเจมีศรัทธาในพุทธศาสนาเปิดปวิทุ่ฟังธรรมะก่อนจะทําอย่างนั้นได้แสดงว่ารู้ตัวอยู่แล้วอ่ะว่าฉันยังไม่รู้ซึ่งความจริงพยายามสาหาความจริงอยู่ไม่ได้เชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงเท่านั้นสิ่งอืนงนง่นเปล่า ม, ะะมีทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยจะทําให้โยนิโสมรติการทําให้แก่มเลยมีโอกาสเป็นไปได้มากอะะอันนี้คือกระบวนการนะการ การทาโยนิโสมรสิการ <Okay. S 2> ซึ่งตรงนี้สําคัญมากเป็นอันดับแรกเลยคุณต้นใจ <Okay. S 2> เป็นอันดับแรกที่สําคัญกับพอพอกันจับกันมีเพื่อนดีการมีเพื่อนดีเนี่ยปุริชาเคยบอกว่าเนี่ยการมีเพื่อนดีสําคัญการมีโยนิโสมรสิการสําคัญที่ที่ได้พูดไปตอนแรกของการเริ่มไบคาแล้วนะว่าข้อที่หนึ่งมีการโฆษณาชวนเชื่อของบุคค <Okay. S 2> ลเราอีกแต่ข้อที่สองมีโยนิโสมรสิการสองอย่างนี้รวมกันทําให้เกิดสมาติิฏฐ นันสมณิติมาทุกทุกอย่างก็ตามมาเป็นกลวนหมดนะแต่ว่าสองอย่างเนี้ยอู๋สาคัญมากแต่ท่านพระอนุนก็เลย บ, บอกว่าโอ้ท่านนั้นกาแลนามิดเนี่ยก็เป็นครึ่งหนึ่งของพรมจารย์สิกปรมาจาบอกไม่ใช่กาลนามิดเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรมจารย์ซึ่งทัศกาลกาแลนามิดเนี่ยคือการมีเพื่อนดีเป็นทั้งหมดของปรมจารย์ซึ่งอามาเคยพูดไปแล้วนะแสดงว่าโยนิโสมรสิการเนี่ยก็เป็นทั้งหมดของพรมาจารย์เหมือนกันคือมันต้องมาด้วยกันมันขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ ค่ะก็จะเห็นว่าจากพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงอธิษสอนไว้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นครบวงจรหมดเลยนะเจ้าคะมีมคามเชื่อมโยงกันก็เรียกว่าถ้าพูดในภาษาวิชาการปรัจจุบันก็คือมีการบรูรณาการกันอย่างจริงจังลแล้วถามว่าที่จะนําไปปฏิบัติให้เห็นผลได้จริงจัง น, นะเจ้าคะคืออันนี้อาตมาก็ลองทํำมาแล้วนะเจ้าคะ เราคือเราอยู่เป็นพาะเนี่ยเราก็ศึกษาตรงนี้เราก็พยายามทําดูเราก็พบว่าโอ้เป็นจริงเราถกค้านไม่ได้เลยถ้าเรามีการโยนิโสธรรมะเรื่องหดเรื่องหนึ่งเนี่ยมีการพิจารณาและแยกแคลยของธรรมะหมวดใดบทหนึ่งได้กระบวนการอย่างนี้เนี่ยนะโอ้มันมันมันไม่เป็นไปอย่างอื่นคุณเปินใจ้ามันต้องเป็นไปเพื่อสมาธิถิเท่านั้นเองอือเจ้าคะกระบวนการต้องเป็นอย่างนี้นะะ กรียว่าเป็นสิ่งที่จริงแช้แน่นอนที่จะต้องปฏิบัติไปตามนี้นะเจ้าค่ะใช่ทีนี้จะจะซ้ําให้ฟังอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ใครรับจดไม่ทันหรือฟังไม่ทันค่ะดีไหมได้เจ้ค่ะก็เปักการเลยเค่ะอย่าเพิ่เชื่อท่านั้นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าคาสอนของศาสนาอื่นคนอื่นอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่เราก็เปิดใจกว้างไว้ก่อนระดับที่สองเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าพอจะต้องตามาใได้ว่าใครนาะเป็นคนที่พอจะรู้ซึ่งความจริงเราก็ไปตั้ง ข้าแท้ๆปลูกศรัทธาปลูกศรัทธาเนี่ยคือมันต้องเหมือนต้นไม้เนี่ยต้องค่อยๆ ย, ยดน้ํารวนดินค่อยๆโตเพราะศรัทธาเนี่ยบางทีมันต้องค่อยๆสร้างขึ้นวันเป็นเดือน เ, อนเป็นปีอย่างนี้มีในบุคคลในบุคคลห น, น, ห น, นึ่งอย่างไรก็ด้พระสงฆ์ก็ได้ <Okay. S 1> พราะมีศรัทธาในพระองค์นี้ในพิสุขผู้นี้แล้วก็เข้าไปหาแลเข้าไปหาก็เข้าไปนั่งใจเข้าไปนั่งใจแล้วก็เงี้ยสดลงเงี้ยสดลงก็คอยฟังทราม แล้วเ <S an> นี่ยก็ทรงจํำทานั้นหม่แล้วก็ไข้ครวนซึ่งเนื้อความแห่งทำนั้นด้วยปัญญาและพอไข้ครวนเสร็จแล้วเนี่ยทํานั้นเนี่ยย่อมทนประการทิ่งทินิษฐ์พอทํานั้นทนประการทิ่งทินิษแล้วเนี่ยย่อมเกิดขันธ์าวคืความพอใจในการปฏิบัติแต่พอพอใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยย่อมมีอุสาห์อุสาห์คือความเพียรพยายามในการปฏิบัติแต่พอมีความเพียรพยายามแล้วเนี่ยก็จะย่อมสามารถหาธารมลุ่ห่งทาได้ พอพบสมุดหนังธรแล้วเนี่ยก็ตั้งตนไวในทํานั้นอืม่คะพอมีการตั้งตนไวในธรรมนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถทํำให้แก้ซึ่งสัจกจก ะ, ะอันรเสริฐได้เจ้ค่ะเรามีกระบวนการอย่างนี้อืมเจ้าค่ะน่าสนใจมากเลยนะเจ้าค่ะทีนี้อยากจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์พิบูลเจ้าค่ะว่า ถ้าเราจะเอาเรื่องของยุนิสโอมานัสิกาเนี่ยมาปรับใช้กับชีวิตสังคมในปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยมีความเชื่ออ่ายกตัวอย่างง่ายที่เราเห็นกันนะเจ้าค่ะทางการเมืองหรือว่าทางด้านไหนเนี่ยแตกต่างกันแบ่งกันเป็นสีนู้นสีนี้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอคิดว่าอยากจะขอเมตตาให้พระอาจารย์ได้ให้สติกับบรรดาผู้ประศาธิปชนเหล่านี้ด้วยเจ้าค่ะได้ก็คือว่าอันเนี้ย กระบวนการนี้นะโยนนิยสมนิสการกระบวนการตรงเนี้ยไม่ใช้กับเรื่องอะไรได้คุณตือนใจไปใช้กับการเรียนชนิดศาสตร์ก็ได้กับการความเห็นเรื่องการเมืองก็ได้ใช้กับการศึกษาสังคมศาสตร์ก็ได้ใช้การศึกษากับเรื่องของอุตุนิยมวิทยาก็ได้ได้หมดเลยนะใครพูดอะไรมาอย่างในอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อว่าสิ่งนี้ต้็นจริงสิ่งเป็นเปล่าให้เปิดกว้างไวก่อนเปิดใจกว้างไว้ก่อนนะคะ วันนี้เขาพูดมาเขาอยู่สวมเสื้อสีส อ, อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแหลเขาพูดอะไรมาสักอย่างหนี่งเราก็อย่าเพิ่งเชื่อ ว, ว่าสิ่งนี้ทั้งนั้นสิ่งสิ่งอนตให้เปิดกวางไปก่อนหรือคุณคูพูดอะไรในห้องเฮ้เราไม่รู้เรื่องนี้แ เ, เราก็อย่าเพิ่งเชื่อ ว, ว่าทั้งนั้นสิ่งนี้ทั้งนั้นสิ่งอืินต่อให้เปิดใจกว้างไ้ก่อน แ, แต่อย่าเพิ่งไปค้านเขาอย่าเพิ่งไปรับเรางคำพูดของเข า, ขาเพาะเยังไม่รู้นี่นะใช่ไหมแล้วทํางไงต่อใครพอจะรู้เรื่องนี้ ให้เข้าไปตั้งศรัทธาในคนนั้นอะพอเข้าไปมีสรัทธาในคนนี้แล้วเนี่ยเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียสดสงฟังสิ่งที่เขาพูดฟังสิ่งที่พูดมาใกล้ควรประมวลผลดูไหนสรงจะเอ่อเพ่งทนต่อการเพ่งจินิตอันนี้มีเหตุผลอันนี้ไม่มีเหตุผลเราปรับตกไม่ได้นะปรับจาไว้ได้นะพอเฮ้ยอันนี้มีเหตุผลฟังดูเหตุผลตรงไปตามสิ่งที่เราเคยประสบการณ์นในชีวิตประจำวันอะไรตา่ตางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองได้ทั้งหมดเนี่ย ความพอใจต้องเกิดขึ้นในใจใใพอมีความพอใจนะก็มีความอุตสาห์หาจุดที่สมดุลแห่งธรรมนั้นได้แลต่เราก็จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนถึงจะดีปฏิบัติตัวยังไงถึงจะเหมาะสมอ่านโจทย์ข้อไหนถึงจะทําได้เรียนตรงไหนถึงจะดีอันนี้ใช้ได้หมดเลย แต่เรียนคดีาสายก็ได้คนที่แบ่งเป็นสองสีหรือสายหลายสีเนี่ยถ้าเขาเปิดกว้างเนี่ยไม่เชื่อว่าสิ่งนี้ทะลุนิ่งจริงๆนะค่ะ เ, เนี่ปัญหาจะจบตั้งแต่กระบวนการนี้แล้ว จ, จะไม่ได่ากันไม่ว่าการเอาคุณยังไม่มั่นใจใช่ไหมก็คอยฟังดูว่าไหเป็นเีต เ, เป็นผลกันนั่นเองจค่ะจุกค่ะอันนี้โยมคิดว่าบางที ต, งต้องต้องดูหมายถึงว่าดูย้อนไปว่า อสิ่งที่คนคนนั้นพูดหรือกระทํามาเนี่ยมีประวัติมาอย่างไรชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรนะคะาามาประกอบกันด้วยถูกตอ่ออันนี้ก็คือผู้รู้ชาติก็พูดเลยชัดเจนนะว่าอคนไหนที่พอจะรู้ซึ่งธรรมะอันนี้คือหมายถึงธรรมะข้ อ, อนี้อย่างเช่นคุณจะไปถามเรื่องคณิตศาสตร์กับอาจารย์อรสอนภาษาไทยในกุงไม่ได้แต่เราก็ต้องรู้ว่าอ๋อคนไหนครูสอนภาษาครูสอนคณิตศาสตร์เราก็ต้องมีศรัทธาใ น, นคนนั้น คนไหนมีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตรเรื่องการเมืองเราก็ไปตั้งสถาวธาในคนนั้นอย่างนี้เจ้าค่ะก็ <ๆ S 2> จะได้ความจริงออกมานะเจ้าค่ะใช่ก็ <ๆ S 2> ถ้าเผื่อทุกคนเนี้ยมีอยู่ในสมนศิการเนี้ยคือการทำในใจเราให้แยบคายอย่างที่พระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนได้เมตตาชี้แจงมาอย่างละเอียดเนี่ยก็จะทำให้ยโยมก็เชื่อ ว่าอย่างที่คุณยูนิสโสมานาชิการได้เขียนจัดจไว้ณนคปรปฐมเนี่ยเชื่อว่าจะทําให้สังคมเราเนี่ยสงบสุขมากขึ้นนะเจ้าค่ะใช่ถูกต้องเลยอันนี้ครูชาพูดไว้ตั้งสองพันกว่าปีแล้วคุณตันใจอืมเจ้าค่ะเออกระบวนการเนี้ยซึ่งซึ่งสอนให้สาวกตามมาซึ่งความจริงเนี่ยครูไปต้องตั้งสองพันกว่าปีแล้วก็ซึ่งซึ่งก็ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันจริงๆเป็นความจริงตลอดมาเลยนะอืมถูกต้องเจ้าค่ะ เรายัางมีเวลาอีกประมาณสักสี่ห้านาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาพระาาอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมประเด็นนี้ไหมเจ้าคะครูไทกระจ่างกันไปเลยเจ้าค่ะว่า<อ>ในยุค ป, ปัจจุบันนี้ที่เรากําลังจะต้องเผชิญรู้สึกว่าปัญหาทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองอะไรต่างๆทุกคนก็ตั้งตาอยู่นะเจ้าค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเดือนสองเดือนนี้เจ้าค<อ>่<ฮ>ะก็คือต้องสรุปให้เข้าใจว่าอคนที่จะสามารถรู้เส้นความจริงเนี่ย ต้องมีทําที่มีอุปการะจากข่าวก่อนการอุปการะคือหมายความว่าคุณจะรู้ซึ่งความจริงได้เนี่ยรู้ว่าถูกอะไรไม่ถูกเนี่ยต้องมีสิ่งช่วยต้องมีตัวช่วยนะการที่จะมีตรงนี้ช่วยเนี่ยพุทธเจ้าก็ย้อนกลับนกะ็คือคุณต้องตั้ง ต, งตนในในทำนั้นทำมา ก, มากๆทำไปปล่อยพอตั้งตนจะอะไรที่จะช่วยให้เราตั้งตนในทำนั้นได้ก็ต้องมีสมรรถเน่งทำอะไรที่จะช่วยให้เรามีสรุปสมรรถเน่งทได้คุณต้องมีความเพียน ทำปล่อยๆทำมากๆอะไรที่จะทําให้คุณมีความเพียรได้คุณก็ต้องมีสันทานะสันทารมันไม่ได้อยู่ๆมาเองมันก็ต้องมีเหตุของมันอะไรที่จะทำให้เรามีสันทานความพอใจได้คุณก็ต้องธรรมนั้นเนี่ยต้องอนทนต่อการตึงตินิทนะแล้วก็ไล่กลับไปนะาการที่จะทําให้ธรรมนั้นทนประการตึงตินิทได้เนี่ยก็ต้องไข้ครวนซึ่งทํานั้นแล้วหลายรอบการจะเอามาไข้ครวนได้คุณต้องจำให้ได้ก่อน จะจำให้ได้หรือไม่ได้เนี่ยคุณต้องฟังแล้วฟังธรรมะแล้วอยู่ๆจะฟังธรรมะได้ไงถ้าเราไม่เงี่ยหูฟังเราก็ต้องเงี่ยหูฟังก่อนถึงเงี่ยหูฟังได้คุณต้องเข้าไปหาเข้าไปใกล้การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเข้าไปใกล้เข้าไปหาใครคุณจะต้องมีศรัทธาก่อนเราจะมีศรัทธาในเรื่องใดเนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตเขาว่าเขามีความรู้ในเรื่องนั้นมากเท่าไหร่เราจะรู้ได้ไงว่าใครมีคนความรู้ในเรื่องนั้นมากเท่าไหร่เนี่ยใจเราก็ต้องคอยเปิดกว้างนะมองสิ่งต่างๆอยู่รอบตัว่ เขาเรียกว่าพยายามมองให้กว้างไว้นะเจ้าคะแล้วก็พยายามที่จ ะ, ะค้นหาความจริงที่เป็นความจริงแท้แน่ น, นอนในกรณีประเด็นนั้นันะเจ้าคะ<า>คือเปิดใจกว้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเ ช, ชื่อว่าส<ช>ิ่งนี้มีจริงสิ่งอื่นเปล่าอย่างที่พ<ช>่อจันท์ว่านะเจ้าคะคือ ส, สีนี้พูดอย่างนี้สีนั้นพูดอย่างนั้นเนี่ย<ม> <ๆ S 1> ก็พยายามเปิดใจกว้างไว้ถ้าเปิดทําได้อย่างนี้นี่ก็คงจะทําให้อ่าเราได้คล่ายครวนแล้วก็ได้พบความจริงนะเจ้าคะแน่นอนเลยเจ้าค่ะ ประเทศเราก็คงจะรอดพ้นจากความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะอึมครึมสับสนไหมเจ้าคะ่ะอืมแล้วก็ทีความในศาลประชาชนชาวรากย่าหรือชั้นสูงในต่างจะมีความสุขกันมากแค่ทุกคนปฏิบัติตามนี้ได้ ค่ะก็ถือเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดที่พระอาจารย์ไพบรุอภิปุญโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหามจังหวัดอุดรธานีได้ฝากไว้ให้ค่านฟังในรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเ ช, ช้าวันอาทิตวันนี้นะคะได้ฟังแล้วดิฉันคิดว่าไม่เฉพาะท่านผู้ถามคือท่านผู้ใช้งานว่าโยนิโสมนัิการะจะ จะหมดในะความปฐมเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ความรู้แล้วก็สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านหรือผู้ศาสิทิกชนทุกท่านรับฟังแล้วนําไปปฏิบัติจริงๆแล้วก็คล้ายคลุนกันอย่างแท้จริงแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือ แม้แต่พระจัจารย์พิบุรภิพนโนแล้วก็ตัวเดานเองซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการก็คงจะดีใจมากๆเลยนะคะที่รายการของเรานั้นเป็นรายการที่สามารถให้ทั้งความรู้แล้วก็ปัญญาแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะ ที่จะทำให้ประเทศชาติเรานั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งสูงสุดที่พวกเราทุกคนอยากให้ประเทศชาติของเราเก้าวไปข้างหน้านะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศก็คงจะไม่ต้องถูกวิาพากวิจารหรือแม้แต่เราก็ไปร่วมวิาพากวิจารณ์ว่าขณ น, นี้ประเภท ประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศนั้นกําลัง ก, ก้าวนำประเทศไทยไปแล้วนะคะซึ่งสิ่งนี้ยมคิดว่าคงไม่มีท่านผู้ฟังทางบ้านท่านใดอยากให้ประเทศของเราเป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่พระอาจารย์เองใช่ไหมเจ้าคะใช่อาตมาคิดว่าเอาง่ายๆแค่ว่าถ้าทุกคนมี4 5ได้หมดทุกคนในประเทศประเทศไทยจะเป็นอันดับหนึง่งเจ้าค่ะอันดับหนึ่งแน่นอนเจ้าค่ะ ืสู้เขาได้หมดเลยนะค่ะเจ้าค่ะก่อนอื่นเราต้องมีโยนิโสมนาสิการมาช่วยกันทาให้ประเทศของเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็กล้าไปทัดเทียมกับคนอื่นๆนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันนี้คงจะต้องอขอนำท่านผู้ฟังนะคะกับนางมัสการลาและกราบแทบเท้าขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโน ลูกิษเอของหลวงพ่อดออรสะอาดทิดภาโสชั้นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหาโศกตำบลดอนหาโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงเท่านี้ค่ะเราจะกลับมาพบ ก, กันใหม่ในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งของเสาร์อาทิตย์หน้านะคะจนกว่าจะพบ ก, กันใหม่เรามากล่าบน้ำสการขอบพระคุณแล้วก็กล่าบลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโน พ, พร้อมกันนะคะท่านผู้ฟังคะกราบน้ำสการลาเจ้าค่ะลาเจ้ค่ะขอบพระคุณจ้าค่ะ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับปรุนได้ใหม่ในวันทุนี้เวลาห้านาิกาถึงห้านาฬิกาสามสบนาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ